ตอนข้อคิดพิจารณาที่พ่อเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้มีอยู่1ิบเรื่องด้วยกันแม้เรื่องราวจะแตกต่างกันล้วนแต่เป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งสิน้นถ้าจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าการทำความดีนั้นดีจริงหรือดีปลอมบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจทำแล้วมีคนรู้เห็นหรือไม่มีคนรู้เห็น ทำถูกหรือทำผิดทำด้วยรู้เท่าถึงการหรือไม่ทำครึ่งครึ่งกลางๆหรือทำอย่างสมบูรณ์ทำใหญ่หรือเล็กทำยากหรือทำง่ายแปดข้อด้วยกันทั้งหมดนี้จะต้องใคร่ครวญให้ถ่องแท้หากกระทำความดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วไซความดีนั้นอาจจะให้ผลร้ายเป็นบาปไปก็ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย